บันทึกที่สเกิดและตายแบบปัจจุบันพูดต้องการสืบความในบาลีเกี่ยวกับสังสารวัตหรือการเวียนว่ายตายเกิดแบบที่เป็นไปในปัจจุบันภายในชาตินี้อาจศึกษาพระสูตร ต, ตอนหนึ่งต่อไปนี้เป็นตัวอย่างความสำคัญตอนที่เป็นกิเลสหมักหมมย่อมไม่เป็นไปแก่บุคคล ผู้ดำรงอยู่ในธรรมสี่ประการคือปัญญาสัจจาจาะอุปสัสสะเมื่อไม่มีความสำคัญตนที่เป็นกิเลสหมักมมเป็นไปย่อมเรียกได้ว่าเป็นมุนีผู้สงบข้อความที่กล่าวไว้ดังนี้นั้นเราได้กล่าวโดยอาศัยเหตุผลอะไรชี้แจงว่า ความสำคัญตนย่อมมีว่าเราเป็นบ้างเราไม่เป็นบ้างเราจักเป็นบ้างเราจักไม่เป็นบ้างเราจักเป็นผู้มีรูปบ้างเราจักเป็นผู้ไม่มีรูปบ้างเราจักเป็นผู้มีสัญญาบ้างเราจักเป็นผู้ไม่มีสัญญาบ้างเราจักเป็นเนวสัญญานาสัญญีบ้างดูก่อนภิกษุความสำคัญตน เป็นโรคร้ายเป็นฝีร้ายเป็นสอนร้ายเพราะก้าวล่วงความสําคัญตนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดได้จึงจะเรียกว่าเป็นมุนีผู้สงบดูก่อนมุนีผู้สงบย่อมไม่เกิดย่อมไม่แก่ย่อมไม่ตายย่อมไม่วุ่นใจย่อมไม่ไฟทยานสิ่งอันเป็นเหตุที่เขาจะเกิดย่อมไม่มีเมื่อไม่เกิด จกแก่ได้อย่างไรเมื่อไม่แก่คือเสื่อมหรือสูญเสียจะตายได้อย่างไรเมื่อไม่ตายจากวุ่นใจได้อย่างไรเมื่อไม่วุ่นใจจากายทยานได้อย่างไรความสำคัญตนที่เป็นกิเลสหมักหมมยอมไม่เป็นไปแก่บุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมะสี่ประการ เมื่อไม่มีความสำคัญตนที่เป็นกิเลสหมักหมมเป็นไปก็เรียกได้ว่าเป็นมุนีผู้สงบข้อความที่เรากล่าวไว้ดังนี้เราได้กล่าวโดยอาศัยเหตุผลดังว่ามานี้ดูก่อนภิกษุเธอจงทรงจำการจำแนกธาตุหกโดยย่อแห่งเราดังนี้